คว่าเพพียงแลจากกใจจเป็นลูดบเสียงอ่านหนังสือหลักธรรมะหลักธรรมตามรอยพระยุคลบาทเขียนโดยด็อกเตอร์สุเมธตันติเวชกุลเลขาธุการมูลนิธิชัยพัฒนาเสียงอ่านโดยโจโฉติดตามดาวโหลดธรรมะอีกมากมายได้ฟรีที่ jocho.net j o z h o .dot n e t ความรั ก, ด, รกด้วยพักดีด้วยความรักด้วยพัก